กันยายนพุทธศักราช2559วันนี้เป็นวันพระขึ้น15ค่าเดือน10เดือน10เพนวันนี้เมื่อเช้านะี่กับพี่น้องประชาชนมาตักบาดล้นหลามแต่เป็นวันศุกร์คนทายาว่าไปแล้วก็ไม่เหมือนครั้งก่อนเข้าออประดับเด่นมากกว่า แต่ก็ย่อนยอนันยอนกว่ากัน น, น่อยหน่นอยนึ่งพอเป็นวันศุกร์แต่เที่ยงวันนี้ขณะนี้พวกเราได้ลงอุโบสถพระสงฆ์ทั้งหมด4ี่กครูลงอุโบสถจบลรงสักครูนี้การลงอุโบสถอย่างที่หลวงพ่อเคยพูดเคยกล่าวกับพระลูกหลานทั้งหลายก็คือให้พระสงฆ์ ฟังพระปฏิโมกข์คือศีลและวินยัยถ้าว่าศีลและวินัยยังสมบูรณ์บริบูรณ์พุทธศาสนาก็ยังอยู่คู่กับโลกถ้าหากว่าพระไม่มีศีลไม่มีวินยัยไม่มีผู้รักษาศีลรักษาวินยัยแปลว่าโลกนีว่างจากพระ เมื่อว่างจากพระก็คือว่างจากพระอรหรันต์พุทธินิและวินัยเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านตัดไว้ว่าศินและวินัยยังมีอยู่ตราบใดศาสนาของตรถาคตยังอยู่ตราบนั้นอันนี้พวกเราฟังแล้วก็วิเคราะห์ดูมันก็จริงอย่างที่พระพุทธองค์ตรัดเอาไว้เพราะฉะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านพระทุกองค์ ที่เข้ามาบวชก็ให้ตั้งอกตั้งใจรักษาศีลรักษาวินยัยและก็ผู้ที่จะผู้ที่ยังไม่ได้ปฏิโมกเป็นพลาน้อยพันหนุ่มหลวงพ่อเองอยากจะให้พวกเรา เ, เรียนศึกษาสวดให้ได้เพราะมันไม่เหลือวิสัยถ้าว่าเมื่อเรามีอายุพรรษาขึ้นมาแล้วเราจะรู้สึกนะ รู้สึกเสียใจในเมื่อเราไปเป็นสมภารแล้วก็ไม่มีพระปฏิโมกนั้นะจิงรู้สึกเสียความรู้สึกมากๆ เ, าเพราะนั้นให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะให้เตรียมตัวเตรียมใจเตรียมการบางอนาคตของตนเองเอาไว้อย่าไปแบบอยู่แบบเลื่อนลอยอยู่แบบไม่มีอนาคตไม่น่าจะถูกถึงจะเป็นพระก็เถอะก็ต้องมีอนาคตเหมือนกัน เราจะอยู่ยังไง เ, เรื่องศินและวินัยของเราเนี่ให้มีความพร้อมออให้รักษากฎระเบียบ เ, เราอยู่กับครูบาอาจารย์เราก็อยู่ใหอออ้อยู่ตามกฎระเบียบที่ครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนบอกกล่าวถ้าเมื่อเราออกไปเราก็ยึด ตามแนวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์บอกกล่าวแนะนำไว้เราขอปฏิบัติตามนั้นอย่างผมผมอยู่กับครูบาอาจารย์อยู่องค์หลวงตาผมออกมาผมก็ยังยึดแนวแถวที่ว่าองค์หลวงตาพาดาเนินอย่างไรในขณะที่ผมอยู่ผมออกมาแล้วผมก็เดินตามแนวแถวแนะนำสั่งสอนบอกกล่าวหมู่พวกเพื่อนอเนี่ย อย่างที่องค์หลวงตาพาดําเนินท่านสอนอย่างนี้นะท่านปฏิบัติอย่างนี้นะท่านให้อยู่อย่างนี้นะแต่ถึงยังไงจะให้เปี้ยเหมือนกับท่านองค์หลวงตานคงจะไม่ได้เพราะองค์หลวงตานึ่งใครใครก็กัวเข้มงวดขวดขันไปหมดอย่างที่ผมเคยพูดเคยกล่าวให้คณะสัตว์กับคณะพวกหมูพวกเพื่อนได้ยินได้ฟังท่านเป็นคนเอาจริงจังเพราะฉะนั้น อย่างผมเนี่ยผมจะเอาอย่างท่านมาใช้ทุกอย่างผมก็ต้องระวังเหมือนกันต้องดูดูว่าสถานะของเราเป็นอย่างไรเรื่องของเราเป็นอย่างไงที่จะมาแนะนําสั่งสอนพวกน้องๆแต่ถึงยังไงก็อยู่ในกฎอยู่ในระเบียบจะอยู่ในธรรมวินยัยจะไม่ให้ย่อหย่อนออกนอกลูกนอกทางเหยียบย่ําหลักพระธรรมวินยัยจะไม่ให้เป็นอย่างนั้น เพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านการอยู่ด้วยกันถึงจะมากน้อยถึงจะอยู่ที่ไหนก็ตามให้มีความพร้อมเพียงสามาัคคีกันให้มีความเมตตาต่อกันเพราะว่าการที่ทะเลาะพิวาทกันถ้าพูดตามหลักธรรมคำสอนของพุท ธ, ธะแล้วท่านเข า, ามีแต่งโง่อย่างเดียวเท่านั้นะ่ะเพราะเหตุอะไรไม่ทะเลาะกันทำไมเพื่ออะไรใหญ่ด้วยกันแล้วเหตุและผลไม่รู้เหรอ ถูกต้องไม่ถูกต้องไม่รู้เห้อดันทุรังไปทำไมในี่ัในัในงพุทธการก็มีนะเรื่องคนทะเลาะกันพระพยุรญาตของพระพุทธเจ้าเมืองวิเทหกับกรุงกบิลพัฒนเป็นบ้านพี่เมืองน้องกันเหมือนกับประเทศลาวประเทศไทยลักษณะอย่างนี้แหละแต่อันนั้นก็นคงจะมีสัมพันธ์กันกว่ามากกว่าเพราะสมัยนั้นกษัตริย์ เมืองกะ บ, บิละพัทเนี่ยโดยมากจะเป็นฝ่ายผู้ชายเมืองวิเทหนะเนี่ยโดยเฉพาะจะเป็นฝ่ายผู้หญิงแต่ตั้งยังไงก็มีการสู่ข อ, อกันกในกษัตริย์ทั้งสองกลุ่มสองประเทศนี่อย่างพระพุทธเจ้าของเราท่านก็ได้พระมารดาของพระพุทธเจ้าก็มือเป็นกษัตริย์เมืองวิเทหนะแล้วก็ ทาง ฝ, าฝ่ายผู้หญิงของกรุงกบิลพัทก็ไปเป็นสะ้ายของวิเทหะนี่แหละคลยๆว่าแลกเปลี่ยนการลักษณะอย่างนั้นนะแต่ว่าเหมือนพี่เมืองน้องกันการทํามาค้าขายก็เป็นคล้ายๆว่าถ้อยทีถ้อยอาศัยกันแต่มีแม่น้ําผ่านตรงกลางเหมือนกับนี่แหละเหมือนกับแม่น้ําโขงก็คงจะเล็กกว่ามาั้งแต่แม่น้ําโขงก็คงจะกั้นไม่ได้ อนนันของแม่น้ําน่ะเล็กกว่าเอาทำกั้นเป็นเขื่อนพอกั้นเป็นเขื่อนขึ้นมาเขาก็ปล่อยน้ําไปทั้งสองฝากฝั่งปีนี้ก็ขายต้องการก็ปล่อยไปแต่ละฝากแต่ทอนี้มันทํานาพร้อมกันพอทํานาพร้อมกันทีใครก็ต้องการเหมือนกันเลยต้องการเพราะกันก้นน้ําไว้แล้วเนี่ยถ้าปล่อยออกมาก็แปลว่า เราต้องการเพียงครั้งเดียวพวกข้าวมันเกือบจะออกรวงอยู่แล้วนะได้น้ําครั้งเดียวสนับพอนะทางนี้ก็เหมือนกันทางเมืองกระบิะบนแลพัดเด็กฝักฝางทางนี้เขาบอกว่าได้น้ําครั้งเดียวพอเพราะทานาเหมือนกันนี่ยใช่แต่ทีนี้ใครก็อยากจะได้ครั้งเดียวเหมือนกันพอใ้สูนะ่คนนัะนพวกคนงานกรรมกรก็ปามาดกันได้แตอให้ข้าบอก วดจักดาลูกพี่ของตนลูกพี่ของข้ า, าไม่กลัวใครใหญ่กว่าทหารของข้าเนี่มากกว่าทางโน้นเอ้ยใหญ่ก็ไม่กลัวมาเลยลักษณะเช่นนั้นอพอกิเลสมันจะกลัวกันได้ยังไงฮะแต่ในให้สุก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจนเลาะวิวาทกันมาบอกให้เจ้านายเจ้านายได้ยินก็ชนลูกน้องอมาบอกมากล่าวให้ฟังทางโน้นก็ชนทางนี้ก็ชน ตนผลให้สู่รเกิดไม่ได้ฟังเหตุฟังผลกันนะเลยพะมันอารมณ์มันโกรธเลอารมณ์โกรธมันไม่มีเหตุมีผลมันโกรธนะเลยจากนั้นก็ยกทับไปหากันนะเพียงแค่แค่นั้นเลยเพียงจะแย่งน้ํากันเท่านั้นนะเลยยกทับไปไปประชิดทั้งสองข้างนะสองฝากฝัง่จะให้หรือไม่ให้ลักษณะอย่างนั้นนะทางโน้นกันนะให้หรือไม่ให้เหมือนกัน ไม่ยอมใครทั้งสองฝากฝั่งทั้งที่เป็นบ้านพี่เมืองง้องกันตะกอนพูดถูกกันแต่บัดนี้กษัตริย์ต่อกษัตริย์เหมือนกันนะตั้งแต่หัวแถวจนถึงปลายท้ายแถวเลยนะมองหน้ากันไม่ติดขนาดพี่พี่น้องๆนะ่ะเนี่ะความโกรธมันเป็นอย่างนั้นละมันไม่มองใครไ ม, ไม่ไม่รู้จักสูงไม่รู้จกักต่ําไม่รู้จักพี่จากน้องไม่รู้จักวงศาขนาญาติความโกรธความนี้ขึ้นมาแล้วนะผลในสุดกัน เอากันจริงๆยกดาบใส่กันเลยสมัยนะั้นไม่มีมีแต่ธนูกับมีดหอกดาบเนทะ่านั้นจะเข้าห้ำพันกันพระพุทธเจ้าส่้นเสด็จประทับอยู่กรุงสาวัตถีท่านก็รู้ว่าพระประยุรญาตทั้งสองฝากฟังมันจะห้ำหันกันแล้วมันจะลบกัน น, ะนี่แหละเดือดร้อนถึงพระพุทธเจ้าอีกพระพุทธเจ้า ก็ไปด้วยฤทธิ์เลยเสด็จดลอยฤทธอ์พอไปเสร็จแล้วทั้งกดขึ้นไปอาถามอยู่บนอากาศถามเลยเนั่งอยู่บนอากาศถามพวกทั้งสองฝ่ายเลยพวกเธอทั้งหลายเราขอถามที่พวกเราจะทําศึกสงครามเพราะอะไรเพราะแย่งน้ํากันใช่ไหมใช่ครับนายผมข้าพรเจ้าได้น้ําเพียงครั้งเดียวพออนี่เขาไม่ให้ทางโู้นผมได้ครั้งเดียวพ อ, อาทางนน้นไม่ให้ เออใครๆครจะได้น้ําเพียงครั้งเดียวเออแต่น้ําครั้งเดียวเนีน่ยนะพระองค์บอกว่าพวกเธอทั้งหลายคิดดีหรือยังคิดให้ให้รอบคอบหรือยังก่อนที่จะสู้ศึกสงครามกันเนี่ยประหัตประหารกันเนี่ยพวกท่านทั้งหลายคิดดีหรือยังว่ากษัตริย์กับกษัตริย์กับน้ำเนี่ยอันไหนมีคุณค่ามากกว่ากันเราขอถาม ทางเจ้ากษัตริย์ทั้งสองฝากฝังเกนกษัตริย์สมัยนะั้นกษัตริย์เป็นหัวหน้า ใ, ในการสู้ศึกสงครามนะเออกษัตริย์ได้ยินนะคระบอกว่ากษัตริย์มีคุณค่ามากกว่าพระเจ้าข่าน้ํามีคุณค่าเพียงหน้อยนิดพระองค์บอกว่าถ้าหากว่าพวกท่านทั้งหลายรู้ว่าน้ํามีราคาน้อยนิดกษัตริย์มีคุณค่ามหาศาล ทำไหมจึงเอาของที่มีคุณค่ามาหาศาลไปแลกกับสิ่งที่มีราคาน้อยนิดพวกท่านทั้งหลายคิดถูกหรือยังถูกต้องหรือยังที่การจะบริหารการจัดการระบบการกระทำลงเช่นนี้พวกกษัตริย์ทั้งสองฝากฝังก็งงมันการงงแตกเลยทีนี้เออใช่จุดนี้เราลืมคิดไปมีแต่ใช้อารมณ์โมโหโกธาเข้าประหารประหาร ประหัดประหารกันจากนั้นก็ทั้งสองฝากฝังก็ยอมเลิกลากันแบ่งกันจะไม่ดีกว่าเหอรอพระองบอกว่าแบ่งกันให้เข้าตั้งคณะกรรมการขึ้นมานั่งท้งฝ่ายนี้ไปอยู่ฝ่ายนู้นทางฝ่ายนูน้นก็มาอยู่ฝ่ายนี้เสร็จแล้วก็ปล่อยน้ำให้เปิดน้ำพร้อมกันออกไปทั้งสองฝากฝังให้ออกไปให้เสมอกัน ให้เป็นน้ำไหลไปเสมอกันจะไม่ดีกว่าเหลอถ้าว่าพวกท่านแบ่งกันก็ได้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยเสียได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นได้เท่านั้นไม่ใช่จะเอาทั้งหมดไม่ใช่กันอยู่ด้วยกันมันต้องแบ่งครึ่งกันมันจึงจะถูกต้องนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านตรัสอย่างนั้นกษัตริย์ทั้งหลายมีท่านมหานามเป็นประธานทั้งฝ่ายนู้นกันนะสุ ป, ปพุทธ ผลให้สูตก็เลยยอมกันอ่ายอมกันเสร็จแล้แบ่งกันตามที่พรธองค์แนะนําก็เห็นคุณเห็นคุณประโยชน์โอ้ถ้าหากว่าพวกเราประหารประหารกันคงจะล้มหายตายไม่ใช่น้อยเหมือนกันในคราวนี้ใครก็ไม่ยอมแพ้ใครแล้วก็คงจะมาบาดม้าง ก, กันไปนานเท่านานอีกเพราะการทะเลาะพิวาทกันในคราวนี้ครั้งนี้อ่าท่านก็เห็นคุณ ทั้งสองเห็นโทษแล้วก็เห็นคุณพระพุทธเจ้าเห็นโทษในการทะเลาะวิวาทเห็นถูกเห็นคุณของพระพุทธเจ้าจากนั้นทั้งสองฝากฝัง ก, ก็เลยปรึกษากันเออพระพุ ท, เทธเจ้าของเราสิทธิฐานของเราท่านเป็นกษัตริย์ถึงท่านจะเป็นนักพรตนักปวดอไปแล้วก็ตามก็ควรจะมีกษัตริย์ควรจะมีกษัตริย์เป็นบริวารเป็นบริวารแล้วเป็นเอ เป็นมือเป็นไม้ให้กับพระองค์ท่านพวกเราควรจะเอาพระ ก, กุมมารทั้งหลายที่เป็นกษัตริย์ไปเป็นบริวารของธธธสิทธัตถะไอศวของพระพุทธเจ้าจากนั้นก็เลยได้สักขคัดสัรมาอนุรุท ธ, ธะอานนนกิบกิมพลิวัคคุพัทิยะแล้วก็เทวทัตยังมีเทวทัตแถมไปด้วยนะขาวนั่นนะแล้วก็พระอุบาลีห้าหกท่าน เข้ามาบวชในคราวนั้นครั้งนั้นนี่แหละอันนี้ก็คือสรุปแล้วคือพระพุทธองค์ท่านมองในแง่เหตุแง่ผลการจะทะเลาะสิ่งไหนก็ตามพวกเราต้องคิดดูว่าการทะเลาะกันใช่มันฉะใจในสององค์หรือในกลุ่มของเราแต่ว่ามันเสียหายพระพุทธศาสนาเสียหายวงการเสียหายตระกูลของเราสิ่งเหล่านี้พวกเราต้องคิดให้พวกเราคิด คิดให้ดีทวนคิดให้ดีมันได้อะไรอย่างองค์หลวงตามหาบวัวท่านเคยพูดเคยกล่าวท่านบอกว่าการทะเลาะวิวาทกันในเครือญาติในวงศสกานาญาตไม่เป็นผลดีเหมือนกับเราจุดเล่าเผาเรือนท่านเล่าทางอีสานแก่ไปว่ายุ่งข้าวนั่นจุดยุ่งข้าวเผาเรือนแตะก่อนคนโบราณครับยุ่งข้าวกับ เลือดปลูกใกล้ๆกันนะเพราะว่าทํานาขึ้นมาแล้วก็เก็บข้าวไวใ้ในยุ้งในฉ า, างข้างๆบ้านบ้านกับฉางข้าวอย่ใกล้ๆกันท่านบอกว่าเอาไฟมาจุดเลา้าเผาเรือนจุดเเผาฉ า, า, างข้าวกับเผาบ้านเผาเรือนแล้วนะมาปลูกฟักแฟงมาปลูกฟักปลูกแฟงแล้วมันคุ้มค่ากันไหมเราต้องคิดดูให้ดี ให้แค่ว่าปลูกจุดเล่าเผาเหลือแล้วมาปลูกฟักปลูกแฟงเออมันไม่คุ้มค่ากันนะพักแฟงมันราคามันเท่าไหร่แต่เล่าเผาเรือนเราสร้างมาเท่าไหร่หมดไปเท่าไหร่นั่นแหละเสียงเหล่านี้หลวงตามหาบัวในท่านบอกกล่าวสอนเพราะฉะนั้นใพวกเราพระเนนลูกหลานทุกองค์ไปอยู่นสถานที่ใดการที่จะทําอย่างไรการที่จะ ท, ทจะเลาะวิวาทกันอย่างไร การที่จะอยู่ด้วยกันอย่างไรให้พวกท่านทั้งหลายได้คิดไว้ในใจอยู่เสมอถ้าพวกเราคิดตามแนวแถวของพุท ธ, ธะตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วพวกเราจะเห็นได้ว่าถ้าเราทะเลาะกันใช่เราทะเลาะกันมันก็เสียเราแต่เราตายไปแล้วไม่ไมีใครรู้แต่วงการพุทธศาสนาในช่วงนั้นเสียหายเสียหายวงการเสียหายตระกูลสิ่งเหล่านี้เราต้องได้คิดคิดทั้งหมด เราไม่ชี้เพิ่มเราไม่ได้คิดว่าเพียงชะใจอย่างเดียวนะเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะเนพูดทางนี้ทางนั้นเป็นแนวความคิดพราว่าผมพูดเนหลายแง่มุมให้กับพระลูกน้องลูกศิษย์ลูกหาที่นั่งต่อหน้าของผมขณะนี้แนหะต่อไปอาจจะเป็นผู้ใหญ่ไม่ไปไม่ใหญ่ทางโลกก็ใหญ่ทางธรรมล้ทางโลกก็คือแล้วก็ต้องเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของ ครอบครัวเจ้าของกิจการหรือเจ้าของวัดเป็นสมพานมันมีหลายอย่างถึงอย่างไรก็เป็นเจ้าของตนเองนั่นแหละเป็นผู้ใหญ่ในตนเองคนที่มีความรู้ความรอบครอบไปอยู่นสถานที่ใดอยู่นตสถานที่ใดเป็นลูกน้องเขาก็เป็นลูกน้องที่ดีเป็นเจ้านายเขาก็เป็นเจ้านายที่ดีเป็นเจ้าวาดก็เป็นเจ้าวาดที่ดีเป็นลูกศิษย์ลูกหาใครก็เป็นลูกศิษย์ลูกหาที่ดีเพราะเป็น ม, มีความรอบครอบเป็นผู้มีสติปัญญาคิดถี่ถ้วนอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวได้แนะนำบอกกล่าวแต่ถึงอย่างไงพวกเราบวชมาทั้งทีเรื่องจิตตภาวนาเป็นสิ่งที่จาเป็นสาคัญถึงผมจะพูดไปเรื่องอะไรก็ตามผมจะไม่ลืมเรื่องจิตตภาวนาเพราะว่าเรื่องจิตตภาวนาเป็นหัวใจเป็นหลักของพวกเราที่เป็นนักพ นักบวชเราจะมองข้ามไม่ได้เด็ดขาดจุดนี้นะถึงยังไงก็ตามให้ระลึกไว้อยู่เสมอมาละนังเมพอพิธติข้าพระเจ้าจะต้องตายอีกสักวันหนึ่งข้างหน้านี่แหละให้ช็อกคล้ายๆกับว่าให้กระตุกตัวเองเตือนไว้ตัวเองอยู่เสมออย่าลืมตัวในเมื่อเราไม่ลืมตัวในจุดนี้เราก่อนนีพยายามหาทางจะทำยังไงจึงเราจึงจะ พนทุกเรามีความดีเพียงพอหรื อ, อยังที่เราจะดําเนินชีวิตของเราอะไรชาติของเราชีวิตของเราที่เราได้เกิดมาพบในชาตินี้อย่าได้เสียชาติเกิดถ้าหาว่าพวกเราไม่ได้คิดจุดนี้ล้วเราเสียชาติเกิดนะพันลูกพันหลานทั้งหลายนะเกิดมาแบบเลอะเทอะเลอะเลือน เ, เ, เ, เ, เ, เ, เ, เรือนพอได้สูก่ก็เลยเปล่าประโยชน์อย่าได้เปล่าประโยชน์เราเกิดมาทั้งที ต้องให้รอบครอบต้องประกอบคุณงามความดีให้มีเป็นผู้มีคุณธรรมศีลธรรมจ ร, รมิยธรรมที่ดีสิ่งไหนที่มันไม่ดีเราคิดดีแล้วห้ามเบลกเหยียบล้ออย่าทำ เ, าเหมือนกับรถมันจะวิ่งลง เ, เหวลงบอ่อมันไปทางไม่ถูกหรอกมันลงเหวลงบอ่อมันถูกไหมล่ะตกเหวตกบอ่อมอันตราย เ, าเราก็ต้องเหยีหยบเบลกห้ามล้อเห็ดเด็ดขาดไม่ให้มันไปฮ สิงไหนที่ไปในทางที่ถูกต้องเหยียบคันเร่งไปในทางที่ถูกต้องเป็นธรรมหันพวงมาลัยไปให้ไปในถึงไปถึงจุดหมายปลายทางนี่แหละอันนี้เราต้องในชีวิตของเราคนลักษณะนั้นเหมือนกันไม่ใช่ว่าจะไปเดินไปตามสเปะสปะโดยไม่มีจุดหมายปลายทางเหมือนกับน้ําเหมือนกับเรื อ, ห ร, อหรือว่าท่อนไม้อยู่ในกลางมหาสมุทรเนี่ยล่องลอยไปตาม ไม่มีจุดหมายปลายทางสุดแท้แต่ลมจะพัดไปทางไหนตบปองตบปองอยู่ในกลางมหาสมุทรทะเลไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเราต้องมีจุดหมายปลายทางอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราก็ได้มาศึกษาในหลักธรรมคำสอนของพุทธาอย่างนี้แล้วเราได้ศึกษาแล้วรู้แล้วผิดถูกชัว่วดีสิ่งควรไม่ควรเราก็ได้ได้ศึกษา ใจเราคิดยังไงเป็นสัมมาทิฏฐิใจิตใจของเราคิดยังไงเป็นมิจฉาทิฏฐิเราก็ได้ดูใจของเราดูสม่ำเสมอไม่ใช่เหรอเพราะเราเข้ามาศึกษาเนี่ยจากนั้นเราก็เราจะเอาอยัางไงปรับปรุงตัวกายใจของเราอย่างไงปรับปรุงใจของเราอย่างไรในะอยากจะให้พระลูกหลาน ท, ทุกองค์นะให้ภาวนาสรุปแล้วอย่าไปเออละเหยลอยลมอย่อยู่คิด เป็นวันๆมันไม่เกิดประโยชน์อะไรเปล่าประโยชน์ถ้าคิดอย่างนั้นถ้าทําอย่างนั้นไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นควรจะใส่ใจควรจะศึกษาอย่างน้อยถ้าไม่ภาวนาเอาหนังสือมาอ่านเอาเพ็บมาอ่านฟังธรรมเทศน า, ากลางคืนองค์หลวงตาเทศยังไงให้ฟังไม่อยากจะฟังบังคับให้ฟังให้ศึกษานั่นแหละาตามปกติใจของเราจะไม่มันจะไม่อยากนะ ไม่อยากทำความดีนะเพราะกิเลสภายในใจของเรามันมากกิเลสราคะโทสะโมหะมันมากมันชอบไหลไปทางต่ำทางไหนเป็นทางต่ำกิเลสใจของเราจะชอบไหลไปทางนั้นเพราะนั้นการที่เราจะฝืนมันไม่ใช่ของง่ายเหมือนกันแต่ถึงยังไงเราก็มาศึกษาเขามาอยู่จุดนี้แล้วเราก็มาเพื่อการศึกษาเพื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง ให้เป็นพระที่ดีให้เป็นคนที่ดีให้มีจิตใจของเราให้สูงส่งออในขณะที่มาศึกษาในมาปฏิบัติเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกท่านนะเรื่องภาวนาเนี่ยให้เห็นอนันตรจังทุกขังอนัตตาเกิดแก่เจ็บตายร่างกายสังขารเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนให้ใจของเราดูดูกายพอดูกายก็ดูใจพอดูใจแล้วก็ดูกายอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวร่างกายมันจะอยู่ไปชั่ว ไปไหนไปถึงขนาดไหนอีกสักวันหนึ่งมันกระจอะนะร่างกายเลยแต่จิตใจนะมันไม่จอดนะอพอจิตใจออกจากร่างแล้วมันจะไปพบภูมิต่างๆไปเกิดเป็นอะไรได้ทั้งหมดช้างมา้าโวค ว, วายหมูหมาเป็ดไก่ไปได้ทั้งหมดกรรมกรรมจะพาไปกรรดีถ้าทำกรรมดีกรรมดีก็จะพาไปถ้าทำกรรมชั่วกกรรมชั่วก็จะพาไปนั่นแหละไม่มีที่สิ้นสุดเพราะนั้นพวกเราคิดดูแล้วว่า เรามาได้พบพุทธศาสนาเราควรจะประกอบจากกรรมรีให้ชำระ เ, เพราะว่าใจของเรามันมีกิเลสอยู่ในนั้นกิเลสราคะโทสะโมหะตัวใหญ่กิเลสราคะทํามันเข้ามาสิงมันเป็นยังไง เ, เหมือนกับผีสิงผีสิงคนอันนี้ก็เหมือนกันผีสิงใจคือกิเลสราคะเข้ามาสิงเห็นอะไรก็เยิ่มไปหมด เ, เห็น ขนาดเห็นหมาก็ยังว่าหมางามอีกต่างหากไม่เจ้าจะเห็นคนนะต่เห็นไม่ไม่ก็ว่าขี้เกียจหน้าหน้าขยะขยงต่อไปต่อไปนะมันตกแต่งขึ้นมาเองมันงามขึ้นมานี่ยน่นกิเลสมันพาเป็นอันนี้คือกิเลสลาคะมันจะเป็นอย่างนั้นกิเลสโทสะ เ, เห็นใครในขว้างหูขว้างตาฉุนเฉียวชุนโมโหไม่พอใจกิเลสโทสะกิเลสโมหามันมีเป็นพื้นฐาน อยู่ในจิตใจมันมีกิเลสโมหะซะก่อนมันจึงมีโทสะมันจึงมีราคะถ้าหากว่าไม่หลงซะก่อนมันก็ไม่โกรธไม่หลงซะก่อนมันก็ไม่รักนะเพราะที่สิ่งที่เรารักนะั่นคืออะไรมันก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในที่สุดนะมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนหาจุดหาสิ่งที่เที่ทยงแท้แน่นอนได้ที่ไหนมันเป็นอนิจจังของไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุก อนาตตาไม่ใช่ตัวตนของเราเป็นอันสุภะปฏิกูลเป็นธาตุสีดินน้ำลมไฟตัวร่างกายของเราแทๆ้ๆเราก็ยังเขาก็ยังจะเอาเผาไฟทิ้งอยู่สักวันหนึ่ง เ, เราเผาคนไม่รู้ว่ากี่คนตัวกี่คนเห็นไหมแล้วก็เผาคนนั้นเดี๋ยวก็เผาคนนี้เดี๋ยวก็เผ า, เาคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายแล้วก็ครูบ า, าอาจารย์แล้วก็หมูพวกเพื่อนไม่รู้กี่คนที่เราได้ยินมานี่ย ตัวของเราอีกจะไม่เผาเหลืออีกสักวันหนึ่งก่อต่อไปกับโค้งได้ยินเผาลงโพ อ, อินฮะมันอย่างนั้นไปอีกนะเจไดนี่แหละทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องคิดนะเมื่อเขาเผาเราเราเป็นยังไงเรามีมีมีเพียงพอหรื อ, อยังคุณธรรมในจิตใจของเราพอหรือยังใจของเราบริสุทธิ์หรื อ, อยังจุดนั้นเป็นจุดที่พวกเราจะต้องคิดให้หนักลเลยเทีนนะคิดให้หนักเลยทไนแต่เมื่อจิตใจของเราบริสุทธ์ หมดจดจากกิเลสแล้วนั่นแหละถึงจะตายยังไงก็ตายนะตายร้อนตายหนาวตายถูกอะไรก็ถูกคนฆ่าทุกตกเครื่องบินควายชนตกต้นไม้อะไรก็ตายไปเถอะตายแล้วก็คือพระรหัสตายเพราะเหอะไรเพราะท่านพนเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วนะแต่หาว่าตายยังมีกิเลสตายน่ยจึงจะตายอยู่ในที่ไหนๆก็คือตายไม่ดีทางนั้นเพราะอะไรตายเพราะยังมีกิเลสอยู่พอออกจากร่างแล้วไม่รู้จะไปทางไหน ไม่รู้จะตกต่ําไปที่ไหนจะตกนรกหรือจะไปที่ไหน เ, เพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆุกท่านนะพระลูกพระหลานทุกองอ์สนใจใฝ่ใจป ร, ป, รประกอบคุณงามความดีให้ตนพัฒนาตนให้เป็นพระที่ดีพัฒนาใจของตนเองให้เป็นใจที่มีคุณธรรมในจิตในใจเพราะเราได้พบมาได้พบพระพุทธศาสนาได้มาศึกษาแล้วอย่างนี้อย่าอยู่แบบ ไม่คิดไม่อ่านให้ยู่แบบเออระเหยแปลว่าไม่ใส่ใจไม่สนใจไม่น่าจะถูกนะพาลูกพาลานนะเอาต่อนี้ไปสวดท้ายปฏิโมกีินี่นะ